ในอุโบสถแล้วนะครับต่อไปภาวนาภาวนาก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ไม่มีภรณนาเน้นอาจารยเข้าใจภาวนาเป่าภารนานี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เราเพิ่งเรียนในหนึ่งตัวอุโบสถถังนึงมาภาวนารู้จักภาวนาเป่าฮะอ่าตั้งแต่นี้ไปผมขอภาวนาอาจารย์ว่าผมจะเช็ดห้องทุกวันอย่างนี้อย่างนี้ใช่เป่าแล้วยังไงอะออกพรรษาที่กินข้าวตมหางกัน รวมๆกันกินกรตูหางานเหรอเรื่องไอ้กเอาไอ้มันชัดๆไปดิทําวันออกพรรษาวันออกพรรษามันกินกินชิบหายแล้วว่านี่อ้าวที่พระเขาลงไปในโบสแล้วก็ไปซุบซิบซุบซิบกันใช่ไหมเออนั่นแน่อย่างเนี้ภาวรนาในทีนี้คือวันออกพรรษาแล้วที่สุผููอยู่จามพรราร่วมกันก็ ก็อนุญาตให้ให้องค์อื่นๆว่าว่ากล่าวตักเตือนเราเราได้นะครับต่างคนต่างอนุญาตกันเองว่าถ้าเห็นความผิดหรือสงสัยอะไรที่ความประพฤติของผมที่ผ่านๆมาก็ดีในที่ที่อยู่จําพรรษามาด้วยกันเนี่ยเห็นข้อบอกพร่องตรงไหนก็ช่วยกันว่าว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันอย่างนี้เรียกว่าปรารณานะครับเพราะฉะนั้นในปรารณากรรมนี้ใช้สวดแทน อ, อุโบสถใช่ไหมครับใช้ทำกรรมนี้แทนอุโบสถปณวสิกะพิสูขเข้าไปอยู่ได้ ในหัตถบาทได้เว้นในที่นี้นะครับท่านบอกว่านั่งนั่งนั่งในหัตถบาทคําว่านั่งในหัตถบาทในที่นี้คือละลําดับของตัวเองเหมือนกันถ้าตัวเองเป็นองค์ที่สองก็ให้ละลําดับนั้นเสียแล้วมานั่งในสังฆนวกะคือนั่งองค์สุดท้ายแต่เวลาปรนน่าไม่ละลําดับนะครับต้องปรนน่าเป็นที่สอง องที่หนึ่งว่าปุ๊บองค์ที่เราเราอยู่ในอันดับที่สองแต่เป็นวีรบุมานั่งสุดท้ายแต่ว่าเป็นอันดับที่สองนะครับว่าเป็นอันดับที่สองเลยนะครับว่าเป็นอันดับในอันดับของตัวเองแต่นั่งเปลี่ยนที่นั่งแต่เวลาว่ายังมีสิทธิว่าเป็นที่สองเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้องน้อยวันนั้นถามอย่างนี้เรารู้ได้ว่าการลดพรรษาอันลำดับอันดับไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปเพียงแต่ต้องนั่งอยู่สุดท้ายสถานที่ ต้องนั่งอยู่สุดท้ายแต่ไอไอไ อ, อสิทธิอื่นๆยังคงเดิมสิทธิอื่นๆเช่นต้องปรนนธาในลำดับพรรษาของตัวเองใช่ไหมครับต้องทายอยู่ที่สองก็ต้องปรนนาเป็นคนที่สองเป็นองค์ที่สองแก่เป็นองค์ที่สองอย่างนี้เรารู้ได้ว่าแม้ประกาศเทศภิกษุที่อ่อนกว่าก็ต้องว่าที่หลังเราใช่ไหมครับต้องว่าที่หลังเราอ่าครับอ้าวรับ ในที่นี้มีไม้นในวัดหรือทั้งโลกเออข้อในวันนั้นหรือวันอื่นด้วยเราเปลนม่เอออย่างนี้ครับปกติเราเราอยู่อยู่จำพรรษาแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นความผิดหรือข้อบกพร่องของเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราก็จะเห็นข้อบกพร่องของเราพอออกพรรษาแล้วก็ปราณนากันอ่าท่าน ว่าเก่าผมได้เลยที่เราอยู่กันมาท่านเห็นข้อบอกพร่องตรงไห น, นช่วยแนะนําใจยตักเตือนผมจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นใช่ไหมหรือท่านลังเกียจข้อวัดหรือความอประพฤติของผมตรงไหน น, นะครับก็ให้ให้ให้บอกเลยไม่ใช่ให้บอกเฉพาะวันนั้นบอกเฉพาะวันอื่นๆแล้วทีนี้บอกบอกเาะวงกว้างๆแค่ไหนใช่ไหมบอกที่ที่อยู่จําอยู่จำพรรษากันด้วยกันอย่างนี้เราก็บอกกันเราบอกกัน ตั้งแต่นี้ไปครับหมายความอย่างนั้นตั้งแต่ที่ที่เราปรณาแล้วนี่ตั้งแต่นี้ไปแล้วพอเข้าพรรษาแล้วก็จอนกันไปอีกแล้วใช่ไหมครับเราอยู่กันมาแล้วว่าพอวันปรณาเราก็บอกเลยหรือไม่ได้บอกวันอื่นก็บอกอีกนะฮะนึกได้ก็บอกนึกได้ก็บอกแค่ยังไม่ได้จากันแล้วก็ท่านกับต่างคนต่างจากกันไปแล้วบอกกันแล้วก็ไปไปจ่าพรรษาที่อื่นอีกพอออกพรรษาแล้วก็ไปเห็นเขาก็ไปเห็นความผิดของเราอีกเราก็ไปเห็นความไม่ดีของเขาอีกเราก็ไปบอกกันที่นู่นอีกอย่างนี้ มันก็กระจายไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอะไรศีลมันยึงสามัญญาตาได้ใช่ไหมครับทิศทีมันยึงสามัญญาตาได้เพราะมันวนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกรณีอย่างนี้ครับกรณีนี้ว่าสมมติว่าผมเป็นนุกรรมมานะครับมาถึงปุ๊บยังไม่ได้ดูเลยนะครับเรมาอยู่กี่วันยังไม่ดูมาถึงปุ๊บบอกเลยบรนนาเลยอย่างนี้ได้หครับปรนาบอกว่าถ้าผมกำลงิอะไรอ๋อได้ครับเราไปปรนาที่อื่นก็ได้ ได้เหมือนกันได้เหมือนกั น, นเพราะเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็จะอยู่ใช่ไหมครับปรนานแล้วเราอยู่ใช่ไหมครับปรนนานแล้วแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกถ้าเขาเห็นเขาก็จะบอกกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่วันนั้นวันเดียวตั้งแต่วันนี้ไปครับหมายความอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ไปถ้าเห็นก็หรือที่เห็นผ่านมาใช่ไหมวันนี้ถ้าจะบอกเราก็บอกวันที่ผ่านมาแต่พอเราอยู่อยู่อยู่ไปเราเห็นเราก็ไปบอกวันที่ผ่านมาอีกใช่ไหมครับอย่างนี้ แล้วทำไมจึงมาที่โยมทําเฉพากะกบายนาตออกศาสนาเพราะมันได้อยู่กันมาไงครับตอนในกบานาเจอแล้วทำไมไม่บอกกันเลยด้วยว่าเ อ, เอ๋บางทีปกติใช่ไหมครับเอ๋ออันนี้เราต้องนึกถึงพระทั่วไปด้วยไม่ใช่กลุ่มเดียวพระบางพวกเป็นเป็นเป็นเอ๋กำลังศึกษาใช่ไหมครับอยู่กับครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์คอยบอกบางพวกไปเข้ากรรมาฐานใช่ไหมในเฉพาะเพื่อนเพื่อ น, อนใช่ไหมครับอยู่ด้วยกัน เพรนั้น um, บางทีไม่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดได้คุยกันเท e ่าไหร่จะมีก็ว One ันอุโบสถบ้างแสดงถึงว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดอะไรแค่นั้นเองประกาศแต่ไม่ได้เปิดโอกาสไม่ยังไม่ได้อนุญาตให้ใครบอกเลยเพอออกพรรษาแล้วก็อนุญาตกันเทียงออกพรรษาก็อนุญาตกันครั้งหนึ่งอย่างนี้ครับอย่างนี้คือดาวจะอยู่ท้องพูดวอะไรวันนี้เป็นวันมหาบวรนา ไม่ใช่ครับเพราะถ้าวันเดียวก็เราก็ไปวนาที่อื่นไม่ได้สิเพราะเรายังไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ตั้งแต่วันนั้นไปเลยบอกได้ไปเรื่อยๆครับแล้วะจะบอกพรรษาในพรรษาก็บอกได้ใช่ไหมครับครับแต่ในพรรษาเขายังไม่ได้อนุญาตนี่เรายังบอกเราจะบอกเราต้องขออนุญาตคือเอเอบอกในที่นี้หมายถึงปรับอบัติแล้วครับต้องขออนุญาตก่อน ต้องขออนุญาตนี่เขาบอกกับวราเราไม่ต้องขออนุญาตครับอันนี้เปิดโอกาสครับเป็นฤดูการเปิดโอกาสฟรีสตไตล์เลยบอกกันบอกกันเราปรนานเราเราเปิดโอกาสแล้วอ่าตั้งแต่นี้บอกผมเลยนะครับอะไรอย่างนี้เราอนุญาตไวปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าในภาษาเราต้องขออนุญาตเออนี่ผมขออนุญาตหน่อยเถอะ ค, ค่ะค่ะเอามีเรื่องอะไรจะพูดเอาครับผมมีเรื่องจะพูดอย่างนี้คือต้องบอกเขาก่อนสมมติว่าวันตุลาตรวนตร์ ครับรครับเราปรนนาตอนนั้นเลยได้เลครับปรนนาแบบนี้ปรนนากรรมหรือหรืออะไรปรนนารบอกที่จว่าถ้าผมทําผิดอะไรไปแล้วว่าถ้าใครเห็นอะไรนี่ทักท้วงหรือว่าอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นกติกาได้เลยไม่เป็นไรไ ม, ไม่ไม่ได้ผิดอะไรอย่างนั้นไม่ได้เป็นไรคนละอย่งางคนละอย่างกับนี้อันนี้เป็นกรรมอันนี้ต้องสงต้องทํานะครับแต่นั้นส่วนตัวเราเราบอกได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรเราอนุญาตไว้ก่อนได้อนุญาตให้เขา อย่างที่ที่เวลาไปเข้ากรรมาฐานเขายังบอกว่าอนุญาตให้ผมมีอะไรไม่ดีขออาจารย์ช่วยแนะช่วยนําช่วยจักช่วยเตือนอะไรอย่างนี้เหมือนกันอย่างนั้นครับอันนั้นก็เป็นอันเดียวกันแต่ไม่ใช่ป ร, รณากรรมนี้นะครับในลักษณะเดียวกันแต่คนละอย่างอในคนละการหลรนนกรรมจะต้องไปถึงวันที่เท่าไหร่ปรณากรรมไหนครับทํ า, าที่ออกภาษาปรณนกรรมนี่ให้ว่าเก่ากันที่ออกภาษาเนี่ยครับ ไปจนถึงเข้าเข้าพรรษาอีกครับจะหมเขตหรือไม่ครับเพราะเขา้าจํานี่เราบางทีเราไปก็ไปด้วยกันสิบองค์แต่เราจะอยู่องค์นี้องค์หนึ่งไปอยู่องนู่นไปอยู่ตรงนู่ น, น, นแล้วก็ต่างคนต่างไปครับอย่างนี้เลือกอยู่เลือกเลือกที่จำพรรษากันแล้วมันครอบคุมถึงพาวัดอื่นด้วยหรือเปล่าครับที่ไม่เข้ากรรมกับเราในการภาวน า, นานไม่ไม่ไม่ครอบคุมครับไม่ครบคุมครับไม่ครอบคุ ม, ค ม, ขคมเขตสีมาครับที่สมมุติว่าเป็น เป็นเขตที่สงมาร่วมเออ ย, อย่า ง, างหใหญ่ในอย่างนี้ถ้าเขาไปปรณาร่วมกันหมดเลยนะครับหมดเลยครับที่นี่หมดเลยหมดเลยแม่ไม่ได้อยู่ธรรมศาสด้วยกันครับเพราะเพราะเขาถ้าเขาไปปรนารวมกันใช่ไหมครับการทํากรรมรวมกันแต่ในในในขณะเดียวกันถึงเราไม่ได้อยู่จํามรสสาด้วยกันเราจะตักเตือนเราจะโอวัลเขาหรือเราเราจะตีจริงเขาใช่ไหมเราขอโอกาสก่อนอย่างนี้วินัยมีอนุญาตตรงนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอ่า ผมขอโอกาสหน่อยครับอะไรอย่างนี้แล้วก็อโอกาสแรกผมอยากจะพูดอะไรกับท่านนิดหน่อยเรื่องส่วนตัวของท่านอะไรอย่างนี้เราขอโอกาสถ้าเขาอนุญาตเราบอกได้เลยครับบอกได้ส่วนมากเพื่อนกันไม่เคยก็ได้มาอ๋อท่านทำกันได้ไงอ่าพันธุ์อย่างนี้ก็ยังไม่คเคยดีผมอยู่วัดป่ามีเหมือนกันอย่างนี้เน้นองค์หนึ่งมันท่องหนังสือส่งผมเน้นแหละผอมๆหนองตะไคร ที่รุนเดียวกับบุนดาเน้นผอมเสียงมันเหมือนผู้หญิงครับ อ, อ, อ, อมันส่งหนังสือตอนั้นให้ท้องบาลีฮะบาลีเรื่องอริธรรมนี่แหละส่งของ ม, มันวัดมันเป็นป่ากุฏิมันอยู่ในปา่าแล้วก็ทางเดินมันมองไม่เห็นกุฏิครับแต่มันได้ยินเสียงพระองค์หนึง่งแกเดินผ่านมาแกได้ยินเสียงก็ลงไปบอกอออคุณพ่อเอ้กุฏิพอมันมีผู้หญิงมาพูดคุยว่ะอสองดอสอง เราพ่อก็ส่งอาจารย์ฉลาดมาเลยอาจารย์ฉลาดเขาสอนอภิธรรมผมตรงมาเลยให้มาเตือนอาจารย์ฉลาดเขาก็แบบรู้ว่าจริงๆผมว่าเตือนมากก็ระวังเรื่องนี้อยู่แกก็มาบอกถามแกมาถึงไม่ได้มาเตือนมาถึงมาถามว่าอมีผู้หญิงผ่านมาแถวนี้ไหมพวกมองไม่มีไอ้บางคนเขาได้ยินเสียงผู้หญิงแต่ผมเข้าใจว่าเป็นเสียงนินิชัหรือเปล่าเพราะแกได้ยินแล้วมันเหมือนผู้หญิง อผมว่าเออในนี้โมกุลนี้มาส่งหนังสือครับส่งอทองหนังสือส่งเออเมื่อคลนี้พระองค์หนึ่งท่านลงไปบอกหลวงพ่อว่ากุฏิท่านามีผู้หญิงมาพูดคุยสองต่อสองนะแล้วพายองเอทาวินยันถวินแกโจดเลยครับไอโจดไม่ได้บอกผมก่อนเลยโจดเลยทําไมเอาผู้หญิงมาพูดคุยสองต่อสองอะไรอะไ ร, ะไรผมประกาศออกไม่กาหันให้สั่งหันลําโพงเลยที่เทานี่ละมั้งหันลําโพงลงหนองงูเลยผมบอกว่า อ, อที่สุผู้เป็นบัณฑิตนะควรจะทําตามทำตามวินัยจะโจทย์อบัดควรขออนุ ญ, ญาตตามที่พุทธเจ้าอนุญาตก่อน<ม>แล้วต้องมีเหตุด้วยต้องมีอะไรด้วยอ่าถ้าใครประสงค์จะโจทย์คึก น, นิมนต์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเงียบหายไปเลยไม่มีมาเลย<ม>แล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แกก็ยังคิดว่าผู้หญิงอยู่แต่แกสืบไปแล้วแกถูกผู้หญิงฆ่าไปอันจริง<ม>แล้วต้องขออนุญาตก่อนครับ ไอ้ที่ขออนุญาตแล้วเราจะได้ผมจะเออเขเข้ามาขออนุญาตผมมีเรื่องข้องใจหน่อยผมได้ยินอย่างนี้นีนนนน้ก่อนเขาจะโจทย์ผมจะได้พูดเหตุผลให้ฟังว่าเออเสียงนั่นเป็นเสียงอะไรอะไรเขาถ้ามันเขายังสงสัยเขาจะซักๆักไปซักจนพอใจแล้วเขาจะโจทย์หรือไม่โจทย์มันมันขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ผมจะให้ยังไงครับอันนี้เป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนกติกาทางวินัยครับดีแกจู่จู่แ ก, จแกโจทย์เลยแล้วไม่ได้โจทต่อหน้าโดียไปโจทยรับหลังตัดกันใหญ่ แกเป็นพระประเภทเพศอะไรวะอ่ากล้าครับกล้าพูดกาแสดงพูดคล้ายกันมากกระหลงพระทูลครับระบบใช้วิธีอะไรคล้ายขึงบ้ากล้าบ้าบินโอ้ยกล้าดูคนกล้าอะไรแล้วพูดคล้ายกันสำเนียงอะไรอะไรคล้ายกันมากเลยชัดครับบ้าบ้าบินแต่ข้างในกวงนันนเป็นเทวินกวงมีตะที่อ้าวต่อไปนะครับ รอหน้าเนินชันเข้าใจเน้นจิตเข้าใจอ่ะท่านเน้นชันเข้าใจในจิตก็คงแล้วนี่เข้าไปได้กิริยานามอะไรครับให้ถามสองวันยังไม่หาไปตอบอ้าต่อไปนะครับวัติกาศาดิกลางอ่ะตัวนี้ผมติดไว้เมื่อคู่นี้นะครับว่าเป็นผ้าผ้าผัดเปลี่ยนในฤดูการพรรษาหรือผ้าอาบน้ําผลนะครับถ้าผ้าอาบน้ําผลหมายถึง ผ้าที่พระพุทธเจ้าอนุญาตในวันก่อนเข้าพรรษาใช่ไหมครับเวลาวันใช้ในวันเข้าพรรษานะครับสะสี่เดือนฤดูฝนนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าผัดเปลี่ยนในในในพรรษาถ้าผัดเปลี่ยนพรรษาในในหนังสือก็จะแปลว่าผ้าจํานําพรรษาต้องวันออกพรรษาแล้วนะครับจะรับได้หรือทแสวงหาได้หรือถ้าเขาถวายก่อนเรียกว่าอัจเจกีวรเขาถวายก่อนสิบวันก่อนออกพรรษาก็รับได้ อันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยค่อยไปดูอีกทีนะครับเพราะหนังสือสองเล่มต่างกันเขาแปลเป็นพราจํานําบรรษาอันนึ่งพระเป็นผ้าอาบน้ําผลอันนึงแปลต่างกันเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนะครับเออเชิญไปดูกันด้วยก็ได้นะครับหาดูกันอันนี้ท่านบอกว่าปริวาสิกาภิกษุมีมีสิทธิ์รับเท่าเทียมกับในลําดับของตัวเองเท่าเทียมกับภิกษุประกาศตะเลยนะครับถ้าตนเองถ้าปริวาสิกาเป็นองค์ที่ห้าพระสงฆ์ตีระฆังแล้วแจกกัน ท่านเป็นองค์ที่ห้าเข้าไปรับได้นะครับรับในลำดับของตัวเองเลยนะครับเดินไปรับในลำดับของตัวเองเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นอนุญาตที่พุทธญาอนุญาตนะครับรับในลำดับของตัวเองเลยไม่ไม่ต้องไปต่อท้ายแถวนะครับไม่ต้องไปต่อท้ายแถวนะครับอันนี้หมดนะครับต่อไปต่อไปโอโนชนางนะครับโอโนชนางนี่ท่านบอกว่าอุเทสพัท อุเทศพัดเป็นต้นอุเทศพัดคือพัดที่ที่พระพระพัดอุเทศเป็นผู้แจกสมมตินะมีมีคนนิมนต์ใช่ไหมครับมีคนนิมนต์ก็ดีหรือไอที่เขานิมนต์ทีพระเป็นกลุ่มๆอย่างเนี้ฮะพระพัดอุเทศจะแจกอา้าวมีคนนิมนต์ไอทางตะวันตกเนี่ยห้าองค์ทางนู้นสี่รูปทางนี้สามรูปอะไรแจกออกไปแจกออกไปอย่างนี้แจกพระอแจกพัดออกไปนะครับแจกพระไปรับพัดหมายความอ่างนั้นแจกพระไปรับพัด สมมติว่าปริวาสิกาพิกษุเป็นลำดับที่หกพอดีมีพระอยู่สิบรูปแจกบางทีมาถึงตัวเองสองที่สามที่ก็ได้สามารถรับได้สองที่สามที่ในนี้ทีนี้ก็บอกว่าเจเจปริวาสิกะปริวาสิกาสะทเวตีนิอุเทสะพัตตาทีนิปาปุนันติถ้าอุเทสพัตพัตที่พระเขาแจกให้เนี่ย สองสามที่ถึงแก่ตัวเองถึงแก่ปริวาสิกาพิสุนะครับปริวาสิกาภิกษุนี่เมื่อเมื่อเมื่อเขาจัดว่าอาท่านมีสิทธิ์ไปรับนี่นะนะมีสิทธิ์ไปรับพัดนะถึงที่วงท่านแล้วถึงลำดับท่านแล้วต้องบอกต้องบอกสละครับต้องบอกกับพระผู้จัดเลยว่าผมมี ม, มีมีพัดหรือมีมีมีอาหารที่จะได้มีมีความหวังที่จะได้อาหารเฉพาะบุคคลที่เขาจะถวายผมมีอยู่ เพราะนั้นพ so ัดนี้ผมขอสละสิทธิ์ในวันนี้กรุณาให้ผมในวันพรุ่งนี้เถอะนะครับอย่าให้ผมรับในวันนี้เลยเมื่อถ้าพรุ่งนี้มีก็ให้พรุ่งนี้ค่อยให้ผมรับนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมสละสิทธิ์ประกาศออกไปอย่างนี้นะครับบอกแก่ภิกษุผู้เป็นผู้จัดนะครับบอกว่าวันนี้ผมมีพัดแล้วมีอาหารแล้วขอให้ผมรับในวันพรุ่งนี้เถอะนะครับ ต้องสระอย่างนี้นะครับสละอย่างนี้เขาว่าถ้ากล่าวสละอย่างนี้แล้วบอกสละอย่างนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นทํามีอ่าท่านกล่าวว่าถ้าในวันรุ่งขึ้นมีอ่าพระปริวาสิกาภิกษุนั้นได้รับแต่ในกรณีท่านบอกว่าถ้าสระอย่างนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นปริวาสิกาภิกษุนี่แหละเป็นองค์ได้รับเป็นองค์ที่หนึ่งนะครับเรารู้ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้ลดพรรษาใช่ป่ะเห็นไหม หมายความว่าวันนี้อสมมติวันนี้เราสละสิทให้องค์อื่นไปใช่ไหมครับในวันรุ่งขึ้นนี่เรามีสิทธิได้รับอันอันนี้มัจิของอัจฉรถยะหนึ่งนะครับอีกอัจฉริยะหนึ่งบอกว่าในวันรุ่งขึ้นนี่องค์ที่สละเนี่ยปฏิวัติการพิสุเป็นองค์ที่หนึ่งเลยได้รับเป็นเป็นอันดับที่หนึ่งเลยไม่ใช่ในลำดับของตัวแล้วเพราะตัวเองสละไปในวันก่อนเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นสมมติเราแจกไปถึงองค์ที่สิบใช่ไหมครับตัวเองเป็นองค์ที่หกในเมื่อวะในในวันนี้ วันนี้เราสละอันดับที่หกไปแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราได้อันดับที่หนึ่งเห็นไหมครับเป็นจริงๆแล้วมันต้องอันดับที่สิบเอ็ดใช่ไหมครับแต่เรายังอยู่ใ น, ในอันดับที่หกเลยเพราะนั้นเราจึงต้องก่อนอันที่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นได้รับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับในในในกรุณทีในกรุณทีก่กาวอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มติตัวเองกรุณทีนะอาจจกถาโบราณถ้าถ้ามติของพุทธโฆษาท่านจะไม่มี ท่านจะไม่ไม่ได้บอกว่าในอัตถานุนอัตถานี้ท่านจะบอกว่าท่านมีความเห็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ความเห็นนะฮะแต่ต่อไปอีกนะครับในอรตถาเดิมไม่ใช่กุนุนทีนะอัรถาไออันเดิมอันแรกบอกว่าถ้าไม่บอกสละถ้าไม่รับถ้าไม่รับแล้วไม่สละอย่างนี้นะครับไม่ไม่รับไม่รับลำดับของตัวเองและไม่บอกสละอย่างนี้คือคือพระท่านแจกให้เราก็รับพอรับเสร็จแล้วครับ ดับที่หกเป็นของผมแต่อ่าแล้วเราก็บอกสละไปถ้าไม่รับแล้วไม่สละอย่างนี้ในวันลุกขึ้นไม่ได้อาหารที่ที่พระที่ดี่พระพุทเทศจะแจกนะครับถึงมีอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์แล้วนะครับเพราะเราสละเลยสละเออเพราะเราไม่ได้สละไม่ได้รับคือคือไม่ยอมไปรับไม่ยอมสละด้วยก็ไม่ได้มีสิทธิ์แล้วนะครับคือหมดสิทธิ์ไปเลยนะครับอันนี้ในวันลุกขึ้นไม่ไม่ได้ไอการสละอย่างนี้นะครับ การสละ Beij, สั่เการสละพัดอย่างนี้การสละแล้วมีโอกาสได้รับอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่า Ô N o โอโนชนะโอโนชนะในที่นี้คือรับรับลําดับของตัวเองแล้วสละให้องค์อื่นเสียคือบอกบอกกับพระผู้แจกสละลําดับอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าโอโนชนะนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าโอโนชนะในทีนี้คือรับพัดที่เขาแจกแล้วสละคืนให้นะครับรับลําดับของตัวเองแล้วสละคืนให้ แล้วมีสิทธิที่จะได้รับในวันรุ่งขึ้นนะครับมีสิทธิที่จะได้รับในวันรุ่งขึ้นถ้าไม่รับไม่สละก็ไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วตรงนี้เขาถามว่าอ่าตรงนี้เขาบอกว่าคำว่าโอโนชนะคือการรับและสละลําดับของตัวเองนี่พระพุทธเจ้าอนุญาตเจาะจงเลยแก่ปริวาสิกภพิจุพวกนี้นะครับคือพวกที่อยู่ปริวาสบู ม, ม, มอยู่พวกนี้เป็นต้นไปนะครับใช้ปริวาสิกภพิจุเป็นประธานเลยอนุญาต เจาะจงเลยอนุญาตเจาะจงเพราะนั้นภิกษุเป็นไข้เป็นอะไรอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้พิเศษอย่างนี้เลยนะครับเขาถามว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสมาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตอย่างนี้อ่าก็มีคําตอบว่าตาใจสังฆนวัตถาเนนิจินาสะพัสตะเคยาคุขัชกาทีนิปาปุณณนติวนาวานวะนี่เราจะไม่ค่อยเคยเจอถ้าเราแปลในธรรมบทเราจะเจอโนวานะครับส่วนมาก เขาบอกว่าที่พระพุทธเจ้าอนุญาตข้าวข้าวต้มก็ดีของเคี่ยวของฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นกันดีนะครับในโรงพัฒนแก่พิกจุผู้แก่บริวารสิกขาพิจูนั้นเพราะบริวารสิกขาพจูนั้นน่ะปกติแล้วต้องนั่งท้ายแถวใช่ไหมครับในในโรงพัฒนนี่ปกติแล้วต้องนั่งท้ายแถวบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นะครับไม่แน่นอนถ้าอาหารมีมากก็ถึงเหมือนกันในตอนตอ น, ตอนนี้เราไม่เคยมีอาหารเหมือนกันอย่างนั้น วันไหนมีมากก็ถึงวันไหนมีน้อยก็ไม่ถึงอย่างนี้เลยอนุญาตเวลาเวลาเขาจัดทัดจัดไอ้นี่อนุญาตพิจิตเออเธอไปตามลําดับเลยไม่ต้องไม่ต้องไปล้อองค์สุดท้ายถ้าที่นี่ก็อดไอ้ข้างนอกยังอดอีกเยอะตายครับเพราะนั้นอนุญาตเลยอนุญาตอย่างนี้นะครับอนุญาตที่อนุญาตอย่างนี้พืพ่อพระเจ้าอาพระเจ้าไอา้ทรงอนุเคราะห์ แกปริวาสิกะภิกษุเจาะจงอย่างนี้เพื่อทําการสง่งเคาะเธอด้วยด้วยด้วยใสยพ่พระใจว่าเออใสพ่พระใจว่าภิกษุปริวาสเหล่านี้ยเป็นต้นนะครับอย่าได้ลําบากด้วยเรื่องการกินอยู่เลยอย่าได้ลําบากเรื่องภิกษาเลยนะครับอย่าได้ลําบากเรื่องภิกษาเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นความละเอียดของพระเจ้าดูแลหมดทั่วถึงเลยนะครับทั่วถึงเลยอันนั้นตรงนี้พิเศษนะครับต่อไปพัดตังหมดเวลาอย่างหมดแล้วเดี๋ยวไอ้คออ่าเดี๋ยวพัดตังครับ พัดตันจะเอ้พัดตันเอ่อพระตังพัดตังนี่พัดเราเราจะเห็นว่าคล้ายขึ้กันเห็นไหมครับพัดพัดตังนี่อันนี้ก็อนุญาตตามลําดับเอ้พิกษุภูแกงเหมือนกันจะเป็นบริวัติหรือไม่บริวัตินะพัดนี่ได้ตามลําดับปกติแล้วสมมุติในวัดมีมีอาหารที่เขาถวายประจําเลยถวายประจําสมมุติว่าถวายอย่างนี้ในชะ่ไหมมาถวายประจําประจําประจําประจํา พระไหนๆมามาก็ร e, ับได้ไปเลยรับตามลําดับรับได้มารับได้ตามลําดับไปเลยอย่างนี้พัดในในที่อย่างนั้นนะครับพัดในที่อย่างนั้นบางทีเป็นสาราสีมุกอย่างนี้อแล้วเขาก็จัดตั้งไว้แล้วพระมาก็รับไปรับไปรับไปอย่างนี้พระจอนมาก็ได้พระในวัดพระที่ไหนก็ได้นะครับรับไปรับไปรับตามลําดับผู้แก่เหมือนกันในนี้นี้ปริวาสิกภิกษุนี้ไปในที่นั้นแล้วก็รับก็ได้ตามลําดับของตัวเองสมมุติว่า เป็นผู้เป็นผู้มีพรรษาในในในที่เวลาไปอยู่ในที่นั้นรับเป็นเป็นอันดับที่สองก็รับในในลดับที่สองเลยแต่ท่านบอกอีกนะตรงนี้ตรงนี้จะมีตรงนี้ที่จะมีที่ผมเคยบอกไว้นะครับเอตางยะถาคุทางรับสติย่อมได้ในลำดับของตนอที่คูอนั้นย่อมได้ในลําดับของตนนั่นเองปาริยานะตรงนี้จะเริ่มแล้วนะครับปาริยาปนะคันตุงวาถาตุงวานะ ลาภติแต่ไม่ได้ไม่ได้เพื่ออันไปในลําดับหรือไม่ได้เพื่ออันยืนในลําดับของตัวเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ยืนไม่ได้ไปตามลําดับไม่ได้ยืนตามลําดับแล้วท่านทําไงท่านจะแนะนาอีกตัสมาปาริโตโอสักกิตวาหัตถาปาเสธิเตนะหัตถังภาษาเรตวายถาเสโนนิปฏิตวาคันหันขันหาติเขามอว่าเมื่อไม่ไม่ได้ไปตามลําดับไม่ได้ยืนตามลําดับ อย่างนี้แล้วเพราะเพราะฉะนั้นเธอต้องโอสักกิจวาถอยออกจากแถวนะครับคือไม่ได้ไม่สมมุติว่าเดินแล้วเป็นขาก็มีคนใสใ่ไหมครับเขาตั้งพัดไว้เรามีพระก็จะเดินไปเป็นลําดับเลยเขาจะใส่จะใส่จะใส่ถอยโอสักกิจวาป า, ปาริโตโอสักกิจวาถอยออกจากแถวอยืนอยู่ในหัตถบานหัตถบานที่ที่จะรับกั บ, ก, บกับคนคนที่ถวายนะครับ ยืนอยู่ในหัตถบานแล้วยืดอหัดถังภาษาได้แต่ใเหยียดมือออกไปนะครับเหยียดมือออกไปยะสะยถ า, าเสนนี้ปฏิจวาคันหันเดียวมันโฉบอาหารเอาโดยวิธีใดเธอก็จงเหยียดมือออกไปแล้วรับเอาเหมือนอย่างเดียว น, นั้นนะครับอันนี้ท่านบอกอย่างนั้นยืนอยู่ในหัตถบานยืนอยู่ในหัตถบานแล้วเหยียดมือออกไปนะครับเพราะเหยียดมือนี่มันได้หัตถบานพอดีเลยใช่ไหมครับปกติเราเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับรับ แต่นี่ไม่ต้องใส่มือเลยเอาหมัดนี่ยื่นลงไปเลยแล้ ว, แ ล, วแล้วอย่างสมมติกรณีเราเดินตามหลังครับแต่ไม่ละหัตถบัตแล้วก็ไม่ไม่ใช่ไม่ละหัตถบัตรยืนอยู่ในหัตถบัตรหัตถบัตไม่ใช่แถว <Okay. S 2> หัตถบัตของผู้ที่จะใส่อาหาร oh. หัตถบัตรผู้ที่จะใส่อาหารห <Hey. S 2> ้ามยืนในแถว hey. หัตถบัตรนี้ท่านใช้กับกับผู้ที่จะใส่ด้วยใช่ไหมครับครับ ก็ไม่ถ้าไม่สันติบาลก็ต้องโยนแล้วนี่ก็ต้องคว้างใส่แล้วใช่ครก็เป็นองค์ประเคนอ่าคือองค์ประเค้นนั่นเองครับองค์ประเคนนั่นเองไม่ละองค์ประเค้นหมายความอย่างนั้นนะครับถ้าอธิบายจริงๆคืออย่างนั้นแล้วก็อะไรเอวังไถดพังพึงรับเอาด้วยวิธีอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าสมมติว่าองค์ที่หนึ่งรับอย่างนี้อย่าไปยืนคู่อย่างนี้แล้วรับอย่างนี้นะครับถอยออกมานิดหนึ่งแล้วยืดมือเอาถอยออกนิดหนึ่ง จากแถวนิดหนึ่งแล้วยื่นมือเอานะครับยื่นมือเอาตรงนี้นะครับเกี่ยวกับอาหารที่เราอาหารอจัดว่าลงลานแล้วกันเอ้าในที่นี้หมายถึงอาหารที่เขาถวายประจำครับถวายไม่เจาะจงพิกูจนเลยไม่ต้องจัดคือไม่ต้องมีพระพาทุเทศที่พระราชาจัดไว้เป็นถาดใหญ่ๆอาหารอย่างนั้นก็ใช้ได้อย่างนี้ไปไป ไ, ป ไ, ป ไ, ปไปแล้วก็ยื่นมือรับเอาแล้วก็ออกไปนะครับอืม อาหารที่ที่มหาเปรละพัตเตนะครับมหาเปรละพัตเตปิเอเสวนโยรันโยมหาเปรละัตเตอาหารททยใหญ่ๆที่พระราชาจัดไว้ยุอะไรนะอย่างนั้นถึงไม่ใช่โลงทานก็ใช้ได้นะฮะก็ไปตามลําดับรับตามลําดับของตัวเองได้นะครับแต่ในใช้ในวิธีเดียวกันคือคื อ, อลบออกเอทอยออกจากแถวนิดนึงให้มันให้มันผิดปกตินิดนึงแล้วก็ยืดยืน อ, อยู่ในหัตถ์บายืนแขนไปรับเอานะครับ รับเอาโดยความรวดเร็วเสียเยนะนี่เหมือนกับยี่ยวชกนะครับจตุสารพัตเตยปนาสเจโอโนชยงังกาตุกาโมเหมือนกันปารธนาจะสละพัดในในจตุสารพัฒนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่รับก็ได้น่าหมดเวลาแล้วครับตรงนี้เขาบอกว่าไ อ, ไอ้ที่ที่เราไปรับอย่างนี้นะครับเราเราจะสละเสียก็ได้นะครับสละแล้วอ่าเราไป ปกติเราไปที่นั้นแล้วโอ้นึกได้เรามีมีมีอาหารที่จะได้วันนี้ผมไม่เอาแล้วครับในลำดับของผมผมไม่เอาแล้วครับแล้วก็รีกไปพรุ่งนี้มารับใหม่ได้นะครับอย่างนี้พรุ่งนี้ได้ถ้าไม่สละอนนู้นถ้าไม่สละไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้สละไม่สละก็เหมือนกันได้นะครับมามาแล้วได้แล้วได้ได้ในลำดับด้วยนะครับแต่เขามีพิเศษอีก มีพิเศษอีกอสมมติว่าไม่ใดไป เ, เวลาเราไปไปไปที่ที่ที่รัชพัฒน์เหรอครับไปที่รัชพัฒนมีโยมโยมนิมนฑ์ให้นั่งที่ใดที่หนึ่งนะครับนีมนฑ์ให้นั่งแล้วถวายเลยอังคารเลยนะครับถวายอังคารเขบอกถ้ามีคนนิมนฑ์อย่างนี้ต้องนั่งอยู่เป็นหัวหน้าของสมณเณรแล้วก็เป็นหัวหน้าไอเป็นที่สุดของสังฆนาวากะ นั่งอยู่องค์สุดท้ายของพระพระผู้อ่อนนิสุดแต่อยู่หัวแถวของสมณเณรถ้ามีคนในมณฑลในที่ที่มีคนในมนต์ทุกที่เลยในที่ที่มีคนในมนต์นะครับไม่ได้ลําดับครับในลำดับเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีถึงเองครับเดี๋ยวจะมีถึงใช่ป ะ, ะเดี๋ยวจะมีถึงครับวันนี้หมดเวลานะครับ พัดตังนะครับวานในจบที่พัดตังอเอเกี่ยวกับพัดนะครับเกี่ยวกับอาหารถ้าถ้าไม่มีถ้ามีถ้าเป็นอาหารที่ที่ทางสงฆ์คือพระพุทธเทศจัดให้นี่ต้องสละแล้วก็ไอ้ต้องรับแล้วสละ นะวันต่อไปจึงจะได้มีสิทธิ์ได้รับอันนี้เรียกว่าโอโนชนะนะครับโอโนชนะแล้วแต่พระตังนี่อาหารที่เขาถวายประจำนะครับอาหารที่เขาถวายประจาพระจะไปรับกันไม่ไ ม, ไม่มีใครจัดไม่มีใครจัดไปจะไปรับกันนี่รับตามลำดับได้นะครับแต่จะไปในแถวหรื อ, อยืนยืนในลำดับของตัวเองไม่ได้นะครับต้องหอยห่างออกจากลำดับนิดนึง เออเออถอยห่างออาแค่แขวนิดหนึ่งแล้วยื่นมือรับเอาอยู่ในหัตถบาทนะครับ <c oughs> แต่ในที่ที่มีนิมนในที่ที่เขานิมนตนะครับ <c oughs> ถ้ามีคนนิมนแล้วนี่จะเป็นอุเทสพัทก็ดีอะไรก็ดีมีคนนิมนให้นั่งฉันต้องนั่งอยู่ในหัตถบาตสุดท้ายของพระนะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ต้นของสมณเณรนะครับอันนี้ถ้ามีเกี่ยวกับมีการนิมนต์มีคนนิมนตนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นขอ้อข้อวัดสําหรับพิสูตรปฏิวาติควรควรประพฤติต้องประพฤตินะครับไม่ใช่ควรอย่างเดียวนะทุกทุ ก, ทกรูปปริวาติกราเป็นต้นนะครับทุกรูปเลยต้องต้องประพฤติต่อไปยังไม่หมดนะครับปริวัติกราพิสูุนี่ไม่ควรให้อุปสมบทคือไม่ควรเป็นอุปชานะครับไม่ไม่ไม่พึงให้อุปสมบทไม่ให้ในที่นี้คือต้องห้ามด้วยนะครับห้าม บอกเขาเวลามีคนมาขอให้เป็นอุปชาเราก็บอกว่าเวลานี้เราทําวินัยกรรมอยู่เธอต้องไปหาองค์อื่นนะครับไม่ควรให้นิสัยนะครับไม่ควรเป็นอาจารย์ให้นิสยัยคือรับลูกศิษย์ไม่ควรรับลูกศิษย์ในขณะ น, นั้นต้องบอกเหมือนเหมือนอย่างเหมือ น, เ ห, อนเหมือนกับที่อุปชาบอกเหมือนกันห้ามนะห้ามเสียก่อนแต่ถ้าถ้าเราห้ามแล้วแล้ว เ, เขายังถืออยู่ยังยังมาขอถือนิสยัยอย่างนั้นแล้วเราห้ามแล้วหลังจากห้ามแล้วเขามาขอถือนิสยัย เขายังถืออยู่อย่างนั้นไม่เป็นอาบัติไล้นะครับถ้าไม่ห้ามต้องอาบัตินะครับถ้าไม่ห้ามไม่ควรมีสมณีนอุปถากนะครับไม่ไม่ไม่ควรมีสมณีนมาอุปถากถ้ามีต้องต้องห้ามอีกนะถ้ามีมีสมณีนจะเข้ามาอันนี้ข้อเหล่านี้จะเป็นเป็นข้อโดยย่อเอเป็นเข้าใจได้ง่ายนะครับต้องห้ามข้อสําคัญคือห้ามนะครับห้ามแล้วก็เกี่ยวกับไม่พึงมีสมณีนอุปถากด้วยแล้วก็ต้อง